وَاتَّقِ الْمَسِيئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ และขอพระองค์ทรงคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายและผู้ใดที่พระองค์ทรงคุ้มครองให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายในวันนั้นแน่นอนพระองค์ท่านทรงเมตตาแก่เขาแล้ว และนั่นคือความสําเร็จอันใหญ่หลวงอินนัลลซีนากัฟรยูนาดูนลามกุลลอฮิอักบารมินมากุลติฮุมอันฟุซกุมอิซตุดาอูนอิลัลอีมานฟะตักฟรุนถ้าจึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจะมีเสียงบอกมาว่าการเกลียดชังของอัลเลาะห์นั้นยิ่งใหญ่กว่าการเกลียดชังของพวกเจ้า ต่อตัวของพวกเจ้าเองเมื่อพวกเจ้าถูกเรียกร้องสู่การศรัทธาและพวกเจ้าก็ปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮุรับบานาอัมตัตนัสไตน์วะอะห์ยัยตนัสไตน์ฟะอ์ตารัฟนาบิดุนูบินาฟะฮัลอิลาคุรูจิมินซะบีลพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเรา พระองค์ทรงทําให้เราตายครคร 2 ครั้งและทรงทําให้เรามีชีวิต 2 ครั้งดังนั้นเราจะขอสารภาพต่อความผิดทั้งหลายของเราและจะมีทางออกแก่เราบ้างใหม่ นั่นก็เพราะว่าแท้จริงเมื่ออัลเลาะห์องค์เดียวถูกกล่าวขึ้นพวกเจ้าก็ปฏิเสธศรัทธาและเมื่อหากมีการตั้งภาคีกับพระองค์พวกเจ้าก็จะศรัทธาดังนั้นการตัดสินชี้ขาดเป็นสิทธิของอัลเลาะห์ผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ฮุวัลลซียูรีกุมอายาติฮีวะยุนซิลุละกุมมินัสซะมาอ์ริซกอ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ พรุ่งนี้จะทรงแสดงให้เห็นถึงสัญญาณทั้งหลายของพระองค์แก่พวกเจ้าและได้ทรงประทานปัจจัยยังชีพลงมาจากฟ้าฟ้าแก่พวกเจ้าและจะไม่มีใครนึกขึ้นได้นอกจากผู้ที่สำนึกผิดเท่านั้น تَدْعُو اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ดังนั้นการวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์แม้ว่าพวกปฏิเสธศรัทธาจะเกลียดชังก็ตามรอฟิอุดดะเราะจาติซุลอัฟชิยุลกิฎดูฮ์มินอัมริฮิอะลามันยะชาอูมินอิบาดิฮิลีนเธรลีนเธรยอมัตตลาคผู้ทรงตำแหน่งอันสูงเจ้าแห่งบัลลังก์ ส่งส่งองค์การลงมาตามพระบัญชาของพระองค์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากพวงบ่าวของพระองค์เพื่อเตือนให้ระลึกถึงวันแห่งการพบปะกันนั่นก็คือวันกิยามะยาอ์มะฮุมบาริซูนลายัคฟาอะลัลลอฮิมินฮุมชัยอ์ลิมันอัลมุลกุลยาอ์ม์ วันที่พวกเขาจะถูกปรากฏออกมาไม่มีสิ่งใดจากพวกเขาจะซ่อนเร้นไปจากอัลเลาะห์อํานาจในวันนี้เป็นของผู้ใดเล่าแน่นอนมันเป็นของอัลเลาะห์ผู้ทรงเอกะผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาดอัลยอุมะตุจซากุลลุนัฟซินบิมา ان الله سريع الحساب วันนี้ทุกชีวิตจะได้รับการตอบแทนตามที่ได้กระทำไว้ไม่มีการอธรรมในวันนี้แท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงรวดเร็วในการสอบสวน واذذرهم يوما اذفت اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين مال الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع لا تجعل تن พวกเขาให้ทราบถึงวันที่ใกล้เข้ามาคือวันกิยามะเมื่อวาใจเข้ามาติดอยู่ที่ลําคอด้วยความอดกลั้นไม่มีมิตรสหายที่สนิทสนมสําหรับบรรดาผู้อธรรมและไม่มีผู้ช่วยเหลือคนใดจะถูก تَنَاعِيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ พระองค์ทรงรับรู้การทรยศของดวงตาและสิ่งที่ซวงอกปกปิดอยู่ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ แล้วเราจะทรงตัดสินด้วยความยุติธรรม และบรรดาผู้ที่วิงวอนขออื่นจากพระองค์นั้นพวกมันไม่อาจจะตัดสินได้ได้ได้แท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นอะวะลัมยะซีรฟิลอัรฎฟายันดูรไคฟะกานอากีบะอัลละดีนะกานูมินกุบือฮุมกานูฮุมอัชดดมินฮุมกุวะต็อวะอาเธรฟิลอัรฎ فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ พวกเขาไม่ได้ท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินดอกฤือแล้วพิจารณาดูว่าบั้นปลายของประชาชาติในยุคก่อนหน้าของพวกเขาเป็นเช่นใดเขาเหล่านั้นมีพลังที่เข้มแข็งกว่าพวกเขาและได้ทิ้งร่อง อัลเลาะห์ทรงลงโทษพวกเขาเนื่องด้วยความผิดของพวกเขาและไม่มีผู้ใดจะช่วยปกป้องพวกเขาให้รอดพ้นจากอัลเลาะห์ไปได้ดาลิกะบิอันนะฮุมกานัตตอทีฮิมรุซูลุฮุมบิลบะยินาติฟะกัฟัรฟะอัคซะฮุมุลลอฮอินนะฮูกอวียุนชะดีดุลอิกอบนั่นก็เพราะว่า เมื่อบรรดารอซูลของพวกเขาได้มายังพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งพวกเขาก็ได้ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นอัลเลาะห์จึงทรงลงโทษพวกเขาแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษวะลักอดอรสลนามูซาบิอายาตินาวะสุลตานิมมุบีน และโดยแน่นอนเราได้ส่งมูซามาพร้อมด้วยสัญญาณต่างๆของเราและหลักฐานอันชัดแจ้งอีลาฟิรอาวนะวาฮามานะวะกอรูนะฟะกาลูซาหิรุนกะซซาบไปยังฟิรอาวและฮามาลและกอรุนและพวกเขาก็กล่าวว่ามูซาเป็นมายากลนักโกหกตัวชะกา قط من عناد لا قال قتلوا ابنا الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال خانเมื่อมูซาได้นำสัจธรรมจากเรามายังพวกเขา และพวกเขาก็กล่าวว่าจงฆ่าลูกชายของบรรดาผู้ศรัทธาร่วมกับเขา และไว้ชีวิตผู้หญิงของพวกเขาแต่แผนการของพวกปฏิเสธศรัทธานั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากความผิดพลาดเท่านั้นวะกาลฟิรอาอฺนุดรูนีอักตุลมูซาวัลยดอร็อบบะอินนีอะคอฟอะนยุบัดดิลดีนุกุมอาวอะนยุซฮิรฟิลอัฎิลฟะซาดาละฟิรอาอฺกล่าวว่าจงปล่อยฉัน ฉันจะฆ่ามูซาและให้เขาวิงวอนขอต่อพระเจ้าของเขาเถิดแท้จริงฉันกลัวว่าเขาจะมาเปลี่ยนศาสนาของพวกเจ้าหรือจะก่อการ้ายเกิดขึ้นในพันธกิจ وقالا موسى اني اعذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب และมูซากล่าวว่าแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าของฉันและพระเจ้าของพวกเจ้าให้พ้นจากผู้หญิงยะโซทุกคนที่ไม่ศรัทธาต่อวันแห่งการชำระสอบสวน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 และหากว่าเขาเป็นคนพูดจริงส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เขาได้สัญญาไว้กับพวกเจ้าจะประสบแก่พวกเจ้าแท้จริงอัลเลาะห์จะไม่ทรงชี้ทางนําแก่ผู้ที่ละเมิดเป็นนักโกหกตัวชะกาดหรอยากอมีละกุมุลมุลกุลยามาซาฮิรินฟิลอัรฟะมันยันซุรนามินบาซิลลาฮิอินจาอะนา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 ฉันกลัวแทนพวกเจ้าเยี่ยงวันแห่งการลงโทษของกลุ่มชนต่างๆในอดีตมี لدะ بِقَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ เยี่ยงกับเคราะห์กรรมของกลุ่มชนนูห์อาร์และสมุทรและกับหมู่ชนหลังจากพวกเขาแล้วร้อนนั้นไม่ทรงประสงค์ กะนาทําได้ใดต่อพวงบ่าวและโอ้กลุ่มชนของฉันฉันกลัวแทนพวกเจ้าเยี่ยงวันแห่งการร้องเรียกหาซึ่งกันและกันยอมะตุลลูนมุดบิรีนมาลากุมมินอัลลอฮิมินอาซิมวะมันยุบลิลลอฮะฟะมาละฮูมินฮาวันที่พวกเจ้าหันหลังนี้ ไม่มีผู้ใดจะช่วยปกป้องพวกเจ้าให้พ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ได้และผู้ใดที่อัลเลาะห์ส่งให้เขาหลงทางแล้วก็จะไม่มีผู้ชี้แนะทางให้แก่เขา حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مضل لا دون แน่นอนแต่ก่อนนี้ยูซุฟนบียูซุฟได้มายังพวกเจ้าพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง แต่พวกเจ้าก็ยังคงอยู่ในการสงสัยต่อสิ่งที่เขาได้นํามายังพวกเจ้าจนกระทั่งเมื่อเขาได้ตายไปแล้วพวกเจ้าก็จะกล่าวว่าอัลเลาะห์จะไม่ทรงแต่งตั้งศาสนทูตคนใดอีกแล้วหลังจากเขาเช่นนั้นแหละอัลเลาะห์จะทรงให้ผู้ที่ฝ่าฝืนสงสัยหลงทางอัลลซีนะยูจาดีลูนฟีอายาติลาฮิบิไฆรซุลตานอะตาฮุม كبرمقت عناد الله وعناد الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبان บรรดาผู้โต้เถียงต่อ เช่นนั้นแหละอัลเลาะห์จะทรงประทับหัวใจของผู้จงหองยิ่งยะโสทุกคนลาฟิรอาอ์กล่าวว่าโอ้ฮามานเอ๋ยจงสร้างหอสูงให้ฉันเพื่อฉันจะได้บรรลุถึงทางที่ฉันจะขึ้นไป اسباب السماوات فاطلع الى ال اله موسى و اني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب และแท้จริงฉันแน่ใจแล้วว่าเขาเป็นคนโกหกเช่นนั้นแหละการงานที่ชั่วช้าของเขาได้ถูกทําให้เพลิดเพล้าแก่ฟิรอมและเขาถูกปิดกั้นจากแนวทางของอัลเลาะห์และแผนการของฟิรเอานั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากอยู่ในความ hayana thau nan wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uuni ahlikum sabila ar-rashad labu sattha kla wa o klum chon يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار او قلمชน ของฉันแท้จริงชีวิตแห่งโลกนี้เป็นเพียงความสุขชั่วคราวเท่านั้นและแท้จริงปรโลกนั้นเป็นบ้านอันมั่นคง من عمل سيئه فلا يجزاء الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب ผู้ใดที่กระทำความชั่วเขาจะไม่ได้รับการตอบแทน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 โอ้กลุ่มชนของฉันทําไมฉันจึงเชิญชวนพวกเจ้าไปสู่การรอดพ้นแต่พวกเจ้ากลับเชิญชวนฉันไปสู่ฝ่ายนรกจะ تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار พวกเจ้าเชิญชวนฉันเพื่อให้ฉันปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ และตั้งภาคีต่อพระโดยที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยในเรื่องนั้นและฉันได้เชิญชวนพวกเจ้าไปสู่ผู้ทรงอํานาจผู้ทรงอภัยเสมอลายะรมาอันมาตะดออูนนีอิไลฮิไลซะละฮูดะอวะตุฟิดดุนยาวะลาฟิลอาคิเราะวะอันมัรัดดะนาอิลัลลอฮ์ وان ان المسرفين هم اصحاب النار ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแท้จริงที่พวกเจ้าเชิญชวนฉันไปสู่นั้นมันไม่เหมาะสมที่จะเอาใจใส่แก่มันทั้งในโลกนี้และปรโลกด้วยและแท้จริงการกลับของเรานั้นไปสู่อัลเลาะห์และแท้จริงบรรดาผู้ฝ่าฝืนนั้นพวกเขาเป็นชาวนรก فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ تَنَن พวกเจ้าจะต้องรำลึกถึงสิ่งที่ฉันได้กล่าวแก่พวกเจ้าและฉันขอ อัลเลาะห์ทรงเป็นผู้เฝ้าดูปวงบาปแท้ว่ากอฮุลลอฮุไซอานติมามักรูวะฮากะบีอานิฟิรอาอูนัสซูอุลอะดาบอัลเลาะห์ทรงคุ้มครองเขาให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาวางแผนไว้และการลงโทษที่ชั่วช้าก็จะห้อมล้อมบริเวณของฟิรอาวห์เอาไว้อันนารุอรอฎูนอะลัยฮากุดว يَوْمَ وَيَوْمَ تقومสะ... تَقُومُ السَّاعَةُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ فِي النَّارِ ذَا تُحْمَى لَهُمْ حَتَّى فِي النَّهَارِ وَاللَّيْلِ وَمَا يَنْتَهُونَ وَفِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ ذِكْرٌ قِيلَ لِأَهْلِ فِرْعَوْنَ ادْخُلُوا النَّارَ يَا آلَ فِرْعَوْنَ وَإِذَا تَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ لَتَجُنُّ رَمْلِكَ تِلْوَ مَعَ فَوْقَهُمْ دَائِرَةٌ مِنْ نَارٍ พวกอ่อนแอกล่าวกับพวกหัวหน้าว่าแท้จริงพวกเราเป็นผู้ตามพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจะช่วยพวกเราให้พ้นจากการลงโทษสักส่วนหนึ่งของฝ่ายนรกนี้ได้ไหมบรรดาหัวหน้ากล่าวว่าแท้จริงเราทั้งหมดอยู่ในนรก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 قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال พวกเขากล่าวว่าบรรดาเราซูลของพวกเจ้ามิได้มายังพวกเจ้าพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งดอกหรือ พวกเขากล่าวว่ามีครับเขาทั้งหลายกล่าวว่าพวกเจ้าจงวิงวอนขอเองสิแต่การวิงวอนขอของพวกปฏิเสธศรัทธานั้นมิใช่อื่นใดนอกจากอยู่ในการหลงทางอินนาลนซุรรุสุลนาวัลลซีนาอามะนูฟิลฮายาติดุนยาวะเยุมยะกูมุลอัชฮาด แท้จริงเราจะช่วยเหลือบรรดารอซูลของเราและบรรดาผู้ศรัทธาอย่างแน่นอนทั้งในชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้และในวันที่พยานทั้งหลายจะยืนขึ้นเป็นพยานเยาวมะลายันฟะอัซดารีมินมะอ์ดิเราะตุฮุมวะละฮุมอัลลานะตุวะละฮุมซูอัดดาวันที่การแก้ตัวของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่บรรดาผู้อธรรม และสําหรับพวกเขาจะได้รับการสาปแช่งและสําหรับพวกเขาจะมีที่พำนักอันเลวร้ายวะลากอดอนไตนามูซาฮุดาวาออรฟนาบะนีอิสรออิละลกิตาบและโดยแน่นอนเราได้ประทานทางนําแก่มูซาและเราได้คัมภีร์เป็นมรดกแก่วงวานอิสรออิล مُدَوِّنٌ وَذِكْرَارٌ لِلْأَلْبَابِ لِكَوْنِهِ طَرِيقَ نَمّ وَذِكْرَى لِلَّذِينَ يَمْتَلِكُونَ الْبَصِيرَةَ فَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ذَلِكَ فَاصْبِرْ فَإِنَّ สัญญาของอัลเลาะห์นั้นเป็นความจริงและจงขออภัยโทษต่อความผิดของเจ้าและจงแส้ 2 สรูดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้าทั้งในยามเย็นและในยามเช้าอินนัลละซีนะยูจาดีลูนฟีอายาติลาฮิบิไฆรซุลตานินอะตาฮุม يغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببارغ فاستعذ بالله انه هو السميع البصير تاจีน บรรดาผู้โต้เถียงเกี่ยวกับบรรดาองค์การของอัลเลาะห์โดยปราศจากหลักฐานมายังพวกเขานั้นไม่มีอะไรในซวงอกของพวกเขา นอกจากต้องการจะเป็นใหญ่ซึ่งพวกเขาจะไม่เป็นผู้บรรลุถึงมันได้ดังนั้นจงขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นและขนกุสซมาวาติวัลอฎดิอักบะรมินค็อลกินนาซีวะลาคินอักทอรันนาซีลายะลามูนแน่นอนการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นยิ่งใหญ่กว่า การสร้างมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ส่วนมากไม่รู้วะมายัสตาวิลอะอ์มาวัลบะซีรวัลละดีนอามานูวามิลุสซอลิฮาติวะลัลมูซีกะลีลันมาตะซักกะรุนและคนตาบอดกับคนตาดีนั้นย่อมไม่เท่าเทียมกันและบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลาย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 وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين لاพระผู้เป็นของเจ้าตรัสว่า จงวิงวอนขอต่อข้าเถิดข้าจะตอบรับแก่พวกเจ้าส่วนบรรดาผู้ที่โอหังต่อการเคารพภักดีแก่ข้านั้น จะเข้าไปอยู่ในนรกในสภาพอันต่ำต้อยอัลเลาะห์ผู้ใด جعل เลกุมอัลไลละลิตัสกุนูฟีฮิวัลนาฮารัมบะศิรออินนัลลอฮละดูฟะฎลันอะลัลนาสวะลากินนอัคษะรอนนาสลายัชกุรุนอะลากีผู้ทรงบันดาลกลางคืนให้แก่พวกเจ้าเพื่อจะได้พักผ่อนในเวลาของมัน และกลางวันเพื่อจะได้มองเห็นแท้จริงอัลเลาะห์เป็นเจ้าของความโปรดปรานแก่ปวงมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ขอบคุณซาลิกุมุลลอฮุร็อบบุคุมคอลิกุคุลลัยชัยอ์ลาอิลาฮะอิลลอฮุลาอิลาฮะอิลลอฮุวะอันนาตูฟะกุนนั่นคืออัลเลาะห์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้า ผู้ทรงสร้างทุกสิ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์แล้วทำไมพวกเจ้าจึงถูกหันเหออกจากพระองค์ล่ะกันดาริกะยูฟะกุลลดีนกานูบิอายาติลาฮิยะจฮะดุนเช่นนั้นแหละบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อบรรดาองค์การของอัลเลาะห์จะถูกให้หันเหออกจากทางนำ الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناءا وصوركم فاحسن صور ثم رزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين الله คือผู้ทรงทําให้แผ่นดินนี้ เป็นที่พํานักแก่พวกเจ้าและในชั้นฟ้าเป็นเพดานอันมั่นคงและทรงทําให้พวกเจ้าเป็นรูปร่างและทรงทําให้รูปร่างของพวกเจ้าสวยงามและทรงประทานปัจจัยยังชีพที่ดีดีแก่พวกเจ้านั่นคืออัลเลาะห์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าดังนั้นอัลเลาะห์ซึ่งเป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก ทรงจรเลยยิ่งฮุวัลไฮยูละอิลาฮาอิลลาฮุวะฟะดุอูฮุมมุคหลิซีนละฮุดดีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนพระองค์คือผู้ทรงเป็นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ดังนั้นจงวิงวอนขอต่อพระองค์โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อ <culpa nelham Dollar dogmail> การสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก